ชีวิตวันหนึ่งคือหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบเก้าเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้จะพูดถึงเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสิ่งแรกเราก็ต้องมีสตินะ มีสติก่อนอย่าปล่อยใจให้ไปหมกมุ้นอยู่กับโรคไป่วยข้เจ็บปีกําลังเป็นอยู่หรือร่างกายที่กําลังป่วยไข้เมื่อทำให้เราคิดมากนเราก็จะเป็นทุกข์จะป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจพอเราตั้งสติดีแล้วเราจะทำอย่างไร กับการเจ็บป่วยของร่างกายเราอันนั้นก็ทำไปจะไปรักษาหรือจะทานยาเราหาอะไรที่ทำเพื่อจะแก้ไขความป่วยไข้ทางร่างกายอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าปล่อยใจไปหมกบุ้น<ม>กับร่างกายกับความป่วยไข้มากเกินไปความทุกข์จะมาสู่จิตใจเราทีนี้ถามคนที่ ป่วยใกล้แล้วรักษาร่างกายแล้ ว, ก, ก, ลลวก็ต้องรู้จักที่จะอดทนรอเวลารอเวลาที่มันจะหายหรือผลการรักษาเรารู้จักมีความอดทนที่จะรอย อ, อย่าใจร้อนแล้วก็อย่าคิดปุ๊งซ่านไปว่าจะหายหรือไม่หายว่าจะทําอย่างไร แต่ไม่หายเป็นยังไงอย่าไปคิดตุ้งซ่าอดทนรอไปถ้าสามารถทำอะไรที่มันพอจะทำได้ก็ทำไปเพื่อเอาใจไปอยู่กับสิ่งที่เราทำจะได้ไม่ต้องปล่อยใช้ใ ห, หมกมุ่นอยู่กับร่างกายถ้าคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่จะขยับตัวอนะไรก็ไม่ไหวอันนี้ก็ยังมีโอกาสที่ รักษาจิตใจไม่ให้มันหมกมุ่นอยู่กับกร่างกายอาจจะวางใจดีๆนึกคิดในสิ่งที่เราเคยทำมาในสิ่งดีๆนึกคิดถึงบุญกุศลที่เราเคยทำมานึกถึงการปลยกาจที่เราไปเยี่ยมกับคนอื่นอื่นเป็นยังไงเราไปเยี่ยมเยี่ยนไปนึกถึงสิ่งที่ดีๆเอาไว้แลยว่าจะเป็นส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศล ใจเราจะได้ไปอยู่กับสิ่งที่เรานึกคิดคนที่เคยฝึกทำกรรมฐานสมาธกับกรรมฐานอันนี้ก็อาจจะใช้หนังตาทำคำบริกรรมในจิตใจของเราพูดโทรว่าอะไรเป็นองค์บริกรรมของเราเขาไว้เอาใจไปฝาก กับคำบริกรรมมันจะได้มีที่อยู่ของจิตของใจจิตใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านเละล่อนไปแนอารมณ์ต่างๆก็ดีนะเป็นฝ่ายที่เป็นกุศลเน้ถึงคำบริกรรมหรือสวดมนต์เนถึงคำสวดมนต์เราอยู่ในศาสนาไหนแล้วก็สวดมนต์ในศาสนาที่เราสัทานับถืออันนี้ก็ทำให้จิตใจเราเป็นกุศ ล, ลใจเราดีด้วย มันเป็นช่วงเวลาของการรอเนี่ยผลของการรักษาบาทีเราไม่ได้รออะไรเลยนะนถ้าเราปล่อยวางร่างกายซะชั่วขณะหนึง่งหานนัาจิตใจมาอยู่กับสิ่งที่ดีๆที่เป็นกุศลเป็นคำมริกรรมบทสวดมนต์อันนี้ถือว่ามีประโยชน์หน้าตาเราก็แจ่มใส เบิกบานไม่เศร้าหมองบางทีไม่รู้ที่ั้นไปว่าเราป่วยไขย้ใครเห็นเข้าก็โอ้หน้าตาปกติเนาะคนป่วยไข้าบางทีหน้าตาเศร้าหมองหรือถ้าหาใครฝึกนะจเจริญสติจเจริญนษษิพพานาก็ยิ่งดีใหญ่คนะนี้เคลื่อนไหวขยับมือได้ก็ น, นอนขอยับมือเล่น ใช้สติรู้ลงไปที่การเคลื่อนไหวของร่างกายวนได้สักหนึน่งที่พอจะเคลื่อนไหวได้ให้รู้ให้ดูให้เป็นผู้ดูให้เป็นผู้เห็นหรือคนที่สนัดลมหายใจก็รู้ลมหายใจรู้ไปอารมณใหายใจเป็นเครื่องรู้เอาการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นเครื่องรู้ รู้เป็นนานๆเนี่ยอันนี้พวกนี้มันทําให้จิตเราเนี่ยอิสระนะแล้วก็แยกตัวออกมาจิตเราจะแยกออกมาจากอาการของกายแล้วก็ไม่ได้ติดอยู่กับลมหายใจหรือการเคลื่อ น, นไหวของกายด้วยเป็นเพียงแก่ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นถ้ารู้ไป็นขนาดเข้าเดี๋ยวบางทีมันเห็นการแยกอ้อเห็นการป่วยแก้ทางกายมีส่วนหนึ่งเ ทุกเวทนามีส่วนหนึ่งการเคลื่อนไหวก็มีส่วนหนึ่งจิต ท, ที่รู้นี่ก็อีกอันหนึ่งมันจะแยกเป็นเกิดอนุปัสนาญาณขั้นตน้ตนๆเผื่อะจะแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตได้ไอ้คำว่าแยกนี่ไม่ใช่ว่ามันหายกันไปครั้งสองอันไม่ใช่แยกคืออยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าทํางานต่างกั น, ใ, นใจมีหน้าที่รู้ กายเนี้ยที่ป่วยเนี่ยป่วยกายใจไม่ป่วยอะไรนเนี่ยเนี่ยต้องฝึกเอาไว้นะถ้าเราฝึกนี้แน่นอนเนี่ยเราแทบจะเราจะไม่รออะไรเลยไม่ต้องรอผลรออะไรเลยนะนยแล้วทําให้จิตใจเราเนี่ยมันไม่คิดฟุ้งร้างเนีไปกดดันร่างกายให้มันมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นหรือซ้าไปจิตใจก็ผ่อนคลายร่างกายก็ผ่อนคลาย ยังนีโรคไปคล้ายๆเจ็บมันก็หายหายด้วยธรรมะโอสถที่ช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายเอาไว้เนี่ยหล่อเลี้ยงจิตใจเอาให้ให้รู้สึกสบายเนี่ยแล้วหน้าตานี่จะแจ่มใสเบิกบานเนี่ยเหมือนคนไม่เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ลองดูนะการนอนไม่หลับก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยลมหายใจ่ใหายใจฝึก รู้ลมหยใจหรือเจอตนาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ทำให้เป็นการบริหารร่างกายด้วยร่างกายก็จะแข็งแรงนสดชื่นจิตสมองปอโปรง่งแม่แต่เรานอนไม่หลับก็เมื่อเนี้ยก็นอหลับไปแล้วเพราะใจเราไม่ได้คิดฟุงงซ่านอะไรอันนี้ในยดีตทำจะต้องฝึกดูนะเนี่ยเวลาร่างกายป่วยไข้ ใจก็ต้องอย่าไปหมกมุ่นกับร่างกายมากเกินไปดูแลรักษาเขาแล้วหรื อ, อหรือให้อาหารให้ยาเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักจะเอาใจเราไปผ่อนคลายอย่าไปหมกมุ่นจิตใจเราจะได้สบายไม่เป็นทุกข์กับความเจ็บป่วยเอาละวันนี้เอาเพียงแค่นี้ก่อน